28. หัวใจของการภาวนาวงเล็บเปิด 7. มิถุนายน2552ในวงเล็บสองวงเล็บปิดมีการตีความธรรมะแบบภาวนาไม่ได้เยอะพวกที่เรียนเยอะๆน่ะพอเรียนมากๆถึงขนาดบอกกันว่าต้องฝึกไปอีกเป็นแสนแสนชาติโอ้เราดูแล้วไอ้ที่เรียนนั้นน่ะมันไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรก็ต้องเป็นแสนแสนชาติแหละธรรมะมีเยอะแยะเลยธรรมะมีเป็นตู้ๆหลายตู้อย่างนี้ แก่นจริงๆอยู่ตรงไหนล่ะถ้าหยิบตรงนี้ออกมาไม่ได้นะเหมือนไม่มีกุญแจเปิดตู้ไปไหนก็เลยแบกตู้ไปด้วยความรู้เยอะหนักนะแต่ไขเข้าไปเอาสมบัติในตู้ไม่ได้มันมีกุญแจอยู่สองตัวคือในเครื่องหมายคำพูดสติกับในเครื่องหมายคำพูดสัมมาสมาธิอาการของสตินี่เป็นการจับในเครื่องหมายคำพูดจับเอาไว้หมายถึงว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะสติมันปิ๊บมันรู้ทัน มันไม่ได้จับแบบนี้นะในวงเล็บหลวงพ่อจับแก้วแบบกำแน่นมันแค่นี้เองในวงเล็บแตะ แ, แ, แก้วลักษณะของสติไม่ใช่จับเอาให้ตายมันแค่รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นมาถามว่าอาการมันเป็นอย่างไรอาการมันคือเข้าไปสัมผัสไปแตะต้องกับตัวสภาวะนี่อาการของตัวสติสัมมาสมาธิเป็นในเครื่องหมายคาพูดความตั้งมั่นตัวนี้มีการแปลกันว่าไม่ฟุ้งซ่าน พอแปลสัมมาส ม, มาธิอย่างนี้นะพอสติจับอารมณ์แล้วก็ไม่ฟุง้งซ่านคือไม่หนีไปไหนเลยอยู่ในนี้เลยมันกลายเป็นการเพ่งตัวอารมณ์ในวงเล็บสิ่งที่จิตไปรู้นี่พวกที่เรียนเยอะแล้วไปตายจุดนี้เองอย่างคุณแต่มนี่เรียนเยอะแต่ไม่ตายเพราะรู้จักตัวสัมมาส ม, มาธิซึ่งเป็นตัวที่ตั้งมั่นถามว่าแล้วฟุ้งซ่านไหมไม่ฟุง้งซ่านมันไม่ฟุง้งซ่านถึงขนาดที่ว่าจิตไม่ถลำลงไปในสิ่งที่สติระลึก ถ้าจิตถลำลงไปในสิ่งที่สติระลึกยังเรียกว่าฟุ้งซ่านอยู่ตรงนี้แหละที่ตำราที่เรียนกันมันไปไม่ถึงเพราะอะไรเพราะพวกนี้เรียนอย่างเดียวนะรู้แต่สับนิยามของเขาผิดไหมไม่ผิดนะตัวสัมมาสมาธิมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่ไปซ่านในอารมณ์นี้ด้วยนะคิดว่าไม่ฟุ้งซ่านคือต้องจับอารมณ์นี้มั่นเรียนมากบางทีก็คิดตามตำราว่าจิตและเจตสิกรู้อารมณ์อันเดียวกัน ฉะนั้นพอสมมุติว่าจิตไปรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอยู่รู้ด้วยเครื่องมือคือสติสติไปรู้ตรงนี้ปุ๊บสมาธิก็จะต้องไหลเข้าไปเกาะที่เดียวกันเลยนี่ไปคิดอย่างนี้ว่ามันรู้อารมณ์อย่างเดียวกันมันต้องอยู่ที่เดียวกันในความเป็นจริงถึงจะรู้อารมณ์อันเดียวกันแต่อยู่คนละที่ก็ได้อย่างเราดูพระจันทร์ใช่ไหมคนอยู่เมืองไทยก็มองเห็นคนอยู่เมืองลาวก็มองเห็นมันดูอันเดียวกันนะ แต่มันอยู่คนละที่ก็ได้ฉะนั้นถ้าจิตมีสมาสมาธิแท้ๆมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันเป็นแค่คนดูเวลาเรียนก็สอนนะบอกว่าดูเหมือนดูละครแต่พอเสร็จแล้วพอลงมือทำก็ไปตีความธรรมะให้กระโดดเข้าไปอยู่ในเวทีละครทุกทีเลยนี่พอเรียนแล้วมันไม่รู้จะภาวนาอย่างไรแต่ถ้าใครเคยภาวนาเคยทาฌานที่แท้จริงมาใจตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้จริงๆตั้งแต่ฌานที่สองขึ้นไป มันจะรู้จักสภาวะที่จิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์โดยที่ไม่ซ่านไปในอารมณ์ไม่ฟุ้งไปในอารมณ์บางทีแปลธรรมะแล้วภาวนาไม่ได้เลยบอกต้องทำอีกแสนชาติหลวงพ่อก็ว่าอย่างนั้นแหละแสนชาติจะได้หรือเปล่าถ้าทำอย่างนี้แสนชาติก็ทำไม่เป็นสมาธิก็รู้อารมณ์อันเดียวกับสติแต่สมาธิต่างกับสติ สตินี่เข้าไปสัมผัสกับตัวอารมณ์สมาธินี่ตั้งมั่นไม่ไหลเข้าไปในอารมณ์ฉะนั้นถ้าคนไหนจับตรงนี้ได้การภาวนานี่ไม่ใช่ว่าจะใช้วิธีอะไรก็แสนจะง่ายคล้ายๆเข้าถึงสุดยอดวิทยายุทธนี่เป็นเคล็ดของคำพีเลยถ้าเข้าถึงวิทยายุทธตัวนี้จะหยิบคำพีเล่มไหนขึ้นมาก็ใช้ได้หมดเลยเข้าใจแก่นของมันแล้วถ้าไม่เข้าใจตัวนี้จับตัวไหนก็ผิดหมดเลยไม่รู้จะทาอย่างไร กลายเป็นเพ่งหมดเลยเพราะสมาธิกับสติต่างก็ไปจ่ออยู่ที่เดียวกันกลายเป็นช่วยกันเพ่งใหญ่เพ่งแบบไม่ให้คลาดเคลื่อนไม่ให้คลาดสายตาเรียนก็เรียนนะว่าให้ดูแบบละครพอลงมือทำจริงก็โดดลงในเวทีทุกทีเลยฉะนั้นเราค่อยๆฟังค่อยๆเรียนใจถึงถึงหน่อยใจกว้างกว้างหน่อยเวลาที่อินทรีย์เรายังอ่อนภาวนาอะไรมันผิดหลักอยู่เรื่อยแต่ถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าสะสมมา ชาตินี้เป็นชาติท้ายๆแล้วอะไรอย่างนี้จับอะไรมันจะเข้าร่องเข้ารอยโดยที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนไม่เจตนาเลยจิตมันจะเดินเข้ามาในร่องรอยที่ถูกต้องของมันเองมีสติขึ้นมามันตื่นขึ้นมาได้เองอยังบางคนตอนเด็กๆนี่กระทบอารมณ์นี่ตกใจนะสติเกิดเองเลยเพระของมันเคยเกิดมีใครเคยเป็นไหมมีใครรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าสภาวะอย่างนี้เคยรู้จักมาแล้วไหม ถ้าใครยังไม่เคยก็อดทนเข้าไว้ไม่มีทางอย่างอื่นหรอกถ้าใครเคยมีก็อย่าลำพองบางคนยกมือแล้วลำพองว่ากูเก่งมีนะลำพองมันก็ดีอยู่แค่เดิมก็ต้องรู้ทันอีกมีแต่เรื่องมีสตินะรู้ทันลงไปมีใจที่ตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูถ้าใจตั้งมั่นเมื่อไรมันจะเห็นทันทีเลยทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนี้ไม่เที่ยงหรอกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้มันถูกบีบคั้นจิตมันถูกอะไรบีบคั้นดูออกไหมจิตถูกตัณหาบีบคั้นดังนั้นจิตพระอระหันต์ไม่ทุกข์แล้วเพราะไม่มีตัณหามาบีบคั้นจิตของเรามันถูกบีบคั้นตลอดเลยทนอยู่ไม่ได้หรอกคันตลอดเวลาไปดูหนังว่าจะมีความสุขพอดูหนังจบต้องไปหาขนมกินอีกแล้วนี่มันคันอีกแล้วกินขนมอย่างเดียวไม่พอต้องไปต่อที่อื่นอีกฟังเพลงอะไรอย่างนี้ บีบคั้นไปเรื่อยวิ่งร่อนๆไปร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดนั่งอยู่ก็ทุกยืนเดินนั่งนอนทุกทั้งหมดเลยหายใจออกหายใจเข้าทุกทั้งหมดเลยมันถูกความทุกข์นี้บีบคั้นอยู่ส่วนใจเรานี่ถูกตันหาบีบคั้นอยู่อันนี้ไม่รู้ว่าตรงปริยัตไหมนะไม่เคยเรียนปริยัตตรงส่วนนี้แต่ที่ภาวนามาเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดส่วนใจนี้ถูกตันหาบีบขั้นอยู่ตลอด มันทนอยู่ไม่ได้มันต้นดิ้นเร่าๆไปเรื่อยๆทั้งกายทั้งใจแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเพราะใจเราตั้งมั่นขึ้นมาก็เห็นสติระลึกรู้กายเห็นกายไม่ใช่เราสติระลึกรู้จิตก็เห็นจิตไม่ใช่เราถ้ามีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นถ้ามีมิจฉาสมาธิเข้าไปตั้งแช่ไม่มีทางเห็นเลยว่าไม่ใช่เรามันเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยถ้าลงมือปฏิบัติแล้วไม่ยากถ้าเอาตำรามาเถียงกันยาก มันเป็นการตีความตำราแล้วเมื่อก่อนใครเคยอ่านกำลังภายในเรื่องมังกรหยกบ้างเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแล้วมังกรบ้าบ้าบาบาอะไรไม่รู้จักแล้วรู้แต่มังกรเสี่ยงไหามังกรอะไรอย่างนั้นไปในมังกรหยกนี้พูดถึงคัมภี์อยู่เล่มหนึ่งเป็นคัมภีร์ชื่อสิบปดฝ่ามือสยบมังกรอะไรทํานองนี้ของกล้วยเจ๋งไม่มีใครฝึกสําเร็จสักคนเลยคัมภีร์ยังอยู่ครบทุกตัวอักษรแต่มันฝึกไม่ได้มันไม่ได้หัวใจของคัมภีร์ไป กวยเจ๋งนี่สุดโง่เลยได้คัมภีร์แล้วได้หัวใจของคัมภีร์ซื่อๆไม่มีพลิกแปลงหรอกเอ็งเข้ามาใกล้ๆก็ตีหัวเอ็งเลยตำราธรรมะนี่มีเยอะแยะเหมือนคัมภีร์มีครบเลยแต่หัวใจของมันนะพวกเราไม่ค่อยมีมันเลยภาวนาไม่ได้ตำราเต็มตู้ไม่รู้จะภาวนาอย่างไรจะจับตรงไหนละ่ะจับตรงที่เครื่องหมายคำพูดเปิดมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปิดเครื่องหมายคำพูด หัวใจอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นมาเรียนที่หลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้บอกเปลือกโน้นเปลือกนี้หรอกเปลือกนะหาง่ายไป ห, ไปหาเอาเองเพราะพวกเราก็มีแต่เปลือกอยู่แล้วมาเรียนให้มันมีหัวใจขึ้นมาแต่ละคนภาวนามันก็ได้เปลือกมาขยับมืออย่างหลวงพ่อเทีย น, นก็ได้เปลือกอย่างหลวงพ่อเทียนมาแต่หัวใจของหลวงพ่อเทียนไม่ได้มาดูจิตก็ดูแบบหลวงปู่ดูลสอนเลยว่างสว่างงอย่างโน้นอย่าง น, า น, างนี้แต่ไม่ได้หัวใจของท่านมา ฉะนั้นวันนี้ให้หัวใจของการภาวนานะเครื่องหมายคำพูดเปิดมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปิดเครื่องหมายคำพูดถ้าจับเคล็ดวิทยายุทธอันนี้ได้แล้วมันจะฝึกไม่สำเร็จในเวลาอันรวดเร็วให้มันรู้ไปสิมันจะโง่เจ็ดชั่วโคตรให้มันรู้ไปฉะนั้นอยู่ที่ฝึกนะทำอย่างไรจะมีสติหัดรู้สภาวะไปจิตจาสภาวะได้แล้วสติเกิดทาอย่างไรจิตจะตั้งมั่นได้ ให้รู้ทานจิตที่ไม่ตั้งมัน่นนี่เป็นโน้ตฮาวในวงเล็บความรู้ความชำนาญ น, นะในตำราไม่มีในตำราพูดถึงการทำฌานทำฌานแล้วก็พูดถึงองค์ประกอบของมันซึ่งถ้าไม่เห็นสภาวะก็ตีความองค์ประกอบตีความสภาวะเพียเพ้ยนๆไปอีกลองดูแล้วจะรู้ด้วยตัวเองในเวลาอันสั้นเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆธรรมะเพื่อความพ้นทุกนั้นมีจริงๆ เราภาวนาได้นิดๆหน่อยๆเรายังพ้นทุกเลยพ้นเป็นลําดับลําดับไปพระสงฆ์จริงๆก็มีคือผู้ที่เดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจในเนื้อของธรรมะอันนี้วันหนึ่งพวกเราก็จะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเป็นผู้หญิงก็เป็นพระสงฆ์ได้นะเป็นเด็กห้าขวบก็เป็นพระสงฆ์ได้ถ้าใจมีธรรมะถ้าใจไม่มีธรรมะมาบวชอย่างหลวงพ่อนี่ก็พระปลอมนี่พระปลอมนะมีหนังสือรับรองด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นพระ มีหนังสือสุดที่รับรองวันนี่ชื่อพระปราโมทอุปชาชื่อพระราชวรคุณกรรมาวาจาจารย์ชื่อโน้นชื่อนี้นี่ของปลอมต้องมีธรรมเนียบเอาไว้ของจริงไม่มีธรรมเนียบรุ่นนะภาวนาเข้าให้ใจกับธรรมะเป็นอันเดียวกันใจเข้าถึงความสุขถึงความสุขที่อัศจรรย์เหลือเกินไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขโดยที่ใจไม่ต้องหิวโหวยทุกวันนี้ใจมีแต่ความทุกข์เพราะมันหิวตลอดเวลานี่คอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆ